อพาราตนตรัยเป็นที่เคารพสูงสุดของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายขอการพระอาจารย์หยูกิพระอาจารย์สินท์เพื่อนสาตธรร ม, มกิกทุกท่านแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติทั้งหลายนั่งสบายสบาย <c oughs> ก็จริงๆแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะรู้สึกว่าในสายหรือมัธเทียนเนี่ยคนจะมาปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยชุดก่อน ชุดก่อนชุดเราก็รู้สึกว่าจะ100ร้อยกว่าคนนะมาชุดเราก็น่าจะรวมรวมร้อยนะไปรวม ท, ที่สุริตมาก็ร้อยกว่านะแล้วก็ที่เชียงใหม่ไปมาเมื่อประมาณาต้นเดือนพฤษภ า, าก็ประมาณร้อยกว่าเหมือนกันไม่ใช่เดต้นเดือนเมษา <c oughs> ต้นเดือนประมาณาปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษานะก็ประมาณร้อยกว่าเพราะนั้นก็ อืแสดงว่าค น, นสนใจการปฏิบัติเจริญสติกันเยอะมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนปฏิบัติแล้วได้ผลเนี่ยก็คงจะบอกต่ อ, ตอกันนะถ้าบังคับให้มาปฏิบัติก็คงจะทำไม่ได้หรอกนะถ้าเราปฏิบัติได้ผลมันก็เราทานอาหารไหนอร่อยเนี่ยเราก็ไปบอกต่ อ, ตอกันนะก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เพราะนั้นอันจุดนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ อาจจะเป็นบอกได้อย่างหนึ่งว่าพวกเราคงมาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดทางหรอกนะอ่า <c oughs> แอย่างหนึง่งนอะ่าบางคนสงสยัยว่าในประเทศไทยเนะี่ยมีวิธีการไปบัติต้องไหลวิธีนะวิธีอ่าพองยุบก็มีนะครับวิธีอ่นะาธรรมากายนะสามมาลาหังอ่านะวิธีของพุทโธก็มีนะวิธีอาณาปานาสติก็มีนะ วิธีเจริญสติก็มีแล้ววิธีอื่นอื่นอีกต้องเยอะแยะนะ <ไป S 1> ก็เลยสงสัยว่า เ, เราจะแบบแบบไหนดนะีจึงจะพบความสำเร็จนะ อ, อันนี้อันนี้จุดหนึ่งก็คืออั น, นจุดนี้จริงๆแล้วเป็นข้อที่สงสัยกันมากนะแล้วบางคนก็ที่เคยประสบมาก็พยายามที่จะค้นหาแนวทางที่จะปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆเนี่ย บางคนกว่าจะค้นได้ก็ใช้เวลานานมากนะหรือบางคนอาจจะค้นไม่พบเลยนะผิดทางไปตลอดก็มีนะครั้นี้เราจะทําอย่างไรจึงจะรู้ว่าวิธีการเหล่านั้นนะมันถูกกับจดิตของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะว่าปฏิบัติแล้วต้องถูกกับจดิตของเราถ้าไม่ถูกกับจริตของเราเนี่ยก็จะเสียเวลาเปล่าๆนะครับบางคนก็เสียเวลาไปตลอดชีวิตเลยก็มีนะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา พอชีวิตเราก็สั้ น, นๆเท่านั้นเองไม่ได้ว่ายาวเหยียดอะไรนะเราลองตายทุกๆคนด้วยวิธีการจะรู้ว่าเออถูกจริตของเราไหมนั่นก็คือดูว่ า, าปฏิบัติแล้วสบายไห ม, ไมจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะ เ, ออเราทำแล้วมันสบายไหมมีความสบายในจิตในใจไหมไม่ใช่ทำแล้วรู้สึกลำบากทางกายทั้งใจ <c oughs> แล้วก็ เม่อไปบัตรไปแล้วเนี่ยดูว่ากิเลสของเราเนี่ยลดลงไปบ้างไหมเช่นความโลภความโกรธความหลงนี่ลดลงไปไหมนะหรือว่าเท่าเก่าหรือว่ามากกว่าเก่านะนี่เป็นประเด็นสําคัญนะโดยเฉพาะความโกรธเนี่ยเราดูได้ง่ายเลยนะเราไปบัรแล้วเรายังหงุดหงิดอยู่หรือเปล่าหงุดหงิดมากขึ้นหรือน้อยลงเนะี่ยต้องเป็นสิ่งที่สังเกตให้ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะแบบมานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะอาจจะสักระยะเวลาหนึ่งนะต้องใช้เวล า, าความมุ่เหมือนกันก็จะได้ดูจริตตรงเนี้ยว่าตรงกับเราไหม นะถ้าหากว่าปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลดลงนะก็ขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนวิธีที่น่าจะตรงกับจิตของเราเนี่ยอันนี้จะสําคัญมากนะวิธีอะไรก็ได้ที่ตรงกับจริตของเราก็แล้วกันนะแล้วก็สังเกตดูว่าปฏิบัตนะิแล้วเนี่ยกิเลสลดไหมความโลภความกดความหลงลดลงไปไหมนะแล้เราก็จะพบหนทางที่จะถูกต้องนิทาจริงนะ อันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากจะาฝากาไว้ในทีน่นี้วิธีการใดก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเออทำแล้วมันสบายเนี่ยนะกี่เลยลดลงก็ใช้ได้ทุกๆวิธีนะะันะ่นแหละนะตอนนี้วิธีการหลวงพ่อเทียเนยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เรานะสามารถเข้าไปดูดูจิตนะดูใจของเราได้ว่าเป็นอย่างไรนะวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่านะดูกายเห็นจิตนะดูคิ ด, ดเห็นธรรมนะนะคือเมื่อเรา ดูกายเนี่ยดูนี่คือใจมันดูนะดูกายที่มันเคลื่อนไหวนะมันเคลื่อนไหวไปยกมือเสพสีจงังหวะหรือเ ด, ดนจงกลมเนี่ยถ้าเราเคลื่อนไหวนะโดยความที่เรามีสติอยู่กับกายนะหรือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยเราก็จะเห็นนะความคิดที่มันแลบขึ้นมาปั๊บเนี่ยทันทีทันใดแล้วมันก็ดับไปนะถ้าเรารู้เฉยเฉยนะก็เห็นความคิดที่มันเกิดแล้วก็ดับไปนะ เพราะว่าเมื่อเราเคลื่อนไหวอ่าโดยการที่เรารู้สึกตัวนะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยมันก็จะเป bueno. you know, ็นปัจจุบันนะเป็นความปัจจุบันเมื่อความคิดเกิดขึ้นก็คือความคิดมันเข้าเป็นอดีตหรืออนาคตนะเราก็จะเห็นทันทีเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถดูความคิดได้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันก็เกิดจากรู้นั่นเองนะรู้นะหรือความรู้สึกตัวที่เราเคลื่อนไหวนะ เอากายเนี่ยมาเคลื่อนไหวมาสร้างนะสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมานะอาศัยพื้นฐานจากกายนั่นเองเมื่อกายเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจิตนะจิตก็คือความคิดทั้งหลายแหล่นั่นแหละเมื่อเห็นคิดแล้วนะเราก็จะเห็นธรรมนะนะเห็นอย่างไรนะนะก็คือเมื่อเราเห็นความคิดแล้วเนี่ยเราก็จะไปเห็นอารมณ์ต่างๆไปได้ด้วยนะ นะเพราะว่าลมทั้งหลายเกิดจากความคิดของเรานั่นเองนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเข้ามาด่าเราเนี่ยถ้าเราไม่ไปคิดต่อเราแค่รู้ไปเจอเราก็ไม่โกรธนะไปคิดโอ้ด่าไปทําไมเน้อเนื่องทีนี้ไปด่าเราทําไมหรือเราไม่ได้ทาผิดซะหน่อยด่าเราทําไมหรือไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครเนี่ยพอคิดปั๊บมันก็โกรธแล้วนะจริงๆเรายกตัวอย่างได้เยอะแยะเลยนะแต่ว่าจะสรุปในที่นี้ก็แล้วกักนเพืไม่เสีวลาว่า อารมณ์ทั้งหลายแหล่ทุกๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉายาความหึงหวงความกุ้มใจน้อยใจทั้งหลายแหล่แล้วเนี้ยเกิดจากความคิดเท่านั้นเลยนะถ้าเราแค่เกิดความคิดแล้วรู้เฉยๆรู้เฉยๆเท่านั้นเราไม่ไปคิดต่อมันก็ไม่ไปปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความคิดแล้วเราก็จะเห็นธรรมในจุดนี้นั่นเองก็คือเราเห็น คิดนั่นแหละเราจะเห็นอารมณ์นะคนที่เห็นอารมณ์ก็จะไม่เข้าไปนอารมณ์นะเราก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าต่อตาของเราเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมนะเห็นธรรมก็คือเห็นสภาวะที่มันเป็นอนิจจังคือว่าไม่เที่ยงทุกขังคืออยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นอน้าตาก็คือเราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนของเรานั่นกะ็คือเห็นธรรมในจุดนี้เพราะฉะนั้นแค่เราดูกายเท่านั้นเราก็จะเห็นจิตของเรานะ เมื่อเราเห็นจิตเราก็จะเห็นธรรมไปในตัวนะจุดนี้จึงเป็นจุดที่เรามาเริ่มจากฐานกายก่อนนะเริ่มจากฐานกายก่อนคราวนี้เมื่อเราเคลื่อนไหวไปแล้วเราได้อะไรนะประการแรกเราก็ได้ความรู้สึกตัวก่อนนะไม่ใช่เราได้ความเมื่อยนะ <c oughs> ความเมื่อยและความง่วงนะั้นเป็นแค่จุดฐานเท่ น, นั้นเองนะอนะแต่จุดที่เราได้จริงๆนะการเคลื่อนไหวถ้าเราเคลื่อนไหวนะโดยที่เรากายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะใจมีสติอยู่กับกายนะ กายอยู่ไหนใจาายอยู่นั่นนะหรือว่ากายกับใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะเราก็จะได้ความรู้สึกตัวขึ้นมานะเพราะมันอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ตัวนี่บ่อยๆนะเราก็จะเห็นโอ้กายมันก็เคลื่อนไหวไปใจเราก็รับรู้ไปเรื่อยๆนะมันก็เห็นมันก็แยกมาเลยนะกายเคลื่อนไหวใจก็มันก็เป็นผู้ดูอยู่นะใจก็เป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองนะในสุดมันก็แยกรูปย่ำนามให้เราเห็นโดยที่ไม่ต้องไปตั้งใจแยกรูปแย่ำนามหรอกมันก็เห็นกายมันก็เคลื่อนไหวใจก็รู้ไปเท่านั้นเองนะ มันึงเป็นประเด็นที่อย่างนึ่งว่า อ, อนี่แหละคือคนทางที่เราจะเห็นว่ากายกับใจในแบบเป็นคนละส่วนกันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อกายมีความทุกข์เน่ยใจเราก็ไม่ทุกข์ได้ด้วยนะเมือนกับอาจารย์กำพลตาบุญนุ่มนั่นแหละจริงๆว่าถ้ามีความทุกข์มากเลยเพราะท่านเป็นผู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่ศีรษะลงมาเนี่ยทั้งตัวเคลื่อนไหวไม่ได้นอกจากแขนทั้งสองข้างและศีรษะเท่านั้นเอง แต่ทุกวันเนี้ท่านก็ไม่มีความทุกข์ในด้านความพิการของท่านนะเราจะความทุกข์ต่างๆในความพิการของท่านได้แล้วนะเพราะท่านสามารถที่จะแยกรูปยับนามนะเห็นว่าเ อ, อกายมันพิการก็เป็นเรื่องของกายแต่ใจของท่านก็ไม่ได้พิการไปด้วยนะในที่สุดเราก็จะเห็นในจุดนี้นะและอย่างนึ่งเมื่อเราเห็นความคิดได้บ่อยๆเนะี่ยอันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากเพราะนี่ก้ายืนยันได้เลยว่าผู้ที่เห็นความคิดนะ่ะผู้นั้นจะไม่มีความทุกข์นะ นี้ไม่ได้พูดเล่นนะที่เรามีความทุกข์ทั้งหลายหลๆเพราะเรารู้ไม่ทันความคิดมันนั่นเองนะความคิดไปปรุงไปแต่งต้องเยอะต้องแยะนะบางทีเรื่องนิดเดียวใช่ไหมเรื่องนิดเดียวเองอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนจะเล่าบ่อยๆนะยกตัวอย่างบ่อยๆจะเล่าฟังนิดนึงก็ได้นะที่จังหวัดเลยนะก็มีลูกสะใภ้นะโดนพ่อสามีด่าว่านิดเดียวตอนนั้นเกิดความโกรธนะก็ไปบอกสามีตัวเองนะบอกว่าพ่อเนี่ยมาด่าฉันน่ะ พ อ, อดีสามีนั่นกาลังนเหนืหน่อยๆ น, นะพอได้ยินนแบบนั้นก็กโมโหทันทีเลยอนะคว้าปืนลูกซองไปโดยความโกรธแบบเดียวเท่านั้นเองเอาปืนไปนยิงพ่อตัวเองเนี่ยตายนะพอยิงตายเสร็จแล้วก็มีความเสียใจมากโอ้ไม่น่าฆ่าพ่อตัวเองเลยนะก็แค่ความโกรธแบบเดียวเท่านั้นเองแต่มันรู้ไม่ทันนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าจริ ง, รงๆแล้วคนเราเนี่ยที่ทําความผิดต่างๆฆ่าคนตายเนี่ยเพราะว่าเรารู้ไม่ทันจิตใจของเรานั่นเองนะ บางทีโดยที่เราไม่ตั้งใจที่จะทําใครเลยหรือไม่รู้จักเขามาก่อนด้วยเราก็ไปฆ่าเขาได้ง่ายๆนะเพราะความโกรธแป บ, บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยมันจะนําความทุกข์ให้เรามาตลอดชีวิตเลยนะอันนี้ยกประเด็นค่ความโกรธนะแล้วยังมีต่างๆเยอะแยะความหึงหวงความน้อยใจความกุ้มใจนะนะความโลภอะไรทั้งหลายแหละนะเป็นตัญหาที่นําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้น เพราะนั้นแค่เรารู้ทันความคิดเท่านั้นเองนะเราก็จะรู้เท่าทันรมทั้งหลายแหล่ไปทั้งหมดเลยนะมันจะกินเราไม่ได้นะมันจะความทุกข์มันจะกินเราไม่ได้อีกต่อไปนะอันนี้ก็ขอรับประกันยืนยันนะหรืออาจะคอนเฟิร์มนะนะพระเจ้าในวันที่ท่านตัดรู้นะในคืนวันแพ็นเดือนหนะท่านได้รัดํมเลียว่ากามเอยเรารู้ตนเข้าของเจ้าแล้ว เจ้าเกิดจากความดำริหรือความคิดนั่นเองต่อไปเจ้าจะเกิดขึ้นมาไม่ได้อีกนะอันนี้นะก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่พระเจ้าจะส่งแสดงให้เราเห็นว่าเออการนั้นก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะเพราะนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหรือพยาบาทนะทั้งหลายหลก็เกิดจากความคิดทั้งนั้นนะแค่เรารู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยเราก็จะเห็นสภาว่าอารมณ์ทั้งหลายนะ มันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปหมดเลยนะอารมณ์ทุกอย่างอนะ่ะไม่ว่าจะเกิดทางตาหัวจมูกล่างกายใจนะพราะวตาเห็นรูปปับ๊บมันก็จะเกิดความคิดต่อเย็นเช่นเราจริงๆแล้วนะเรามีสภาพอยู่เยอะแ ล, ะล้วล่ะนะพอไปเที่ยวตามห้างปั๊บก็เจอแล้วโอ้โหเสื้อตัวนี้สวยจังเลยนะ <laughs> เพิ่มแป๊บเดียวเสื้อก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนะี่ยเพราเรารู้ไม่ทันความคิดนะแล้วเราก็มีความสุขกับเสื้อตัวนั้นนะครับ เสื้อเราเต็มตู้เราไม่มีความสุขแต่ได้มีความสุ ข, ส ข, สขกับเสื้อตัวใหม่นะแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานแต่เดี๋ยวก็ต้องซื้อมาอีกเป็นตัวที่สองที 3, นะ่สามเป็นตัวที่ร้อยสองร้อยสามขึ้นไปเรื่อยๆนะพเพราะรไม่รู้ในทันความอยากในใจเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นจุดหนึ่งว่าเออทำไมผู <c> ้ <oughs> ผู้ชายจึงมีภรรยาหลายคน <c oughs> ก็เพราะว่าชอบของใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะมันเป็นความสุขไอ้ภรรยาที่มีอ่ะมันไม่เคยสุขลนะแหะคนใหม่นะ่ะสุขที่สุดเลยนะนี่ก็คือ ปัญนะหาคนเราที่มันไม่มรู้จักจบไม่อยากสิ้นนะตราบใดที่เรารู้ไม่ทันความคิดเราก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ใช่ในชาตินี้ชาติน้าก็เป็แบบ น, นั้นอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญคือเราสามารถยรนะู้ทันต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้ไหมว่าเกิดจากอะไรนะความทุกข์นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะรู้ว่าความทุกขนะ์เช่นความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสิ่งเราต้องรู้ทันมันนะแต่ต้นเหตุของมันหรือสมุทยัยนี่มันเกิดจากอะไรนะ สมุทัยในะจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยอะยกตัวอย่างเช่นอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหาคือความอยากอุปทานคือความยึดติดแต่ทั้งหมดนั้นรวมดูคําเดียวว่าความคิดนั่นเองนะนะสมุทัยเกิดจากความคิดเท่านั้นนะอันนี้ก็ถ้าเราเข้าใจในจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะอ่ารู้หนทางที่เราจะเดินได้ง่ายๆเลยหมายถ่งอ่ามีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งขังเราอยู่ในโกงนะ ให่กุญแจดอกนั้นนะ่ะมันก็มีลูกกุญแจอยู่นะคราวนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลูกกุญแจนะ่ะไปวางไว้ที่ทิ้งแล้วไปกราบไปไหว้โอ้ไหว้ลูกกุญแจขอลูกกุญแจเนี่ยทําอย่างไรไ<ป>จรึงจะให้เราออกไปจากกรงได้นะอันนั้นก็ผิดทางเพราะทุกวันเนี่ยคนเราทุกวันเนี่โดยพราชาวพุทธ จ, จะเป็นแบบนี้กันเยอะเลยนะไปทอยกรถินทุบ ป, ป, ป่าทําบุญฟังธรรมถวายทานอหรือทําวัดชาวัดเดย็นอย่างเดียว อะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็คือไปกราบไหว้ลูกกุญแจกนั่นเองนะส่วนพวกเราที่มีปัญญาก็จะนําลูกกุญแจกนั้นแย่เข้าไปในในแม่กุญแจแล้วก็ไขแล้วก็จะออกจากคลุกอันต์นได้นะวิธีการก็คือเราก็ต้องรู้ว่าลูกกุญแจกันนั้นที่จะไปไขแม่กุญแจกันนั้นลูกของมันเนี่ยคืออะไรนะถ้าเราหยิบมาถูกลูกแล้วนะลูกกุญแจกจริงๆมันมีเยอะไหนทะี่มันในพวกุญแจกเรานั้น ม, มีลูกกุญแจกเยอะๆเลยถ้าเราหยิบผิดลูกปุ๊บมันจะไขแม่กจมไม่ออกนะ เราหยิบได้ถูกลูกไข่ที่ได้พัวหลุดมาเลยนะก็จะยืนยันอีกครั้งหนึงว่าลูกมันจะได้ถูกต้องก็คือต้องรู้ทันความคิดนั่นเองนะตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองถ้าเรารู้ทันความคิดแล้วเราพอหยุดทุบแลูวหยุาดนะนะแต่ว่าตึงสายแล้วก็ออกได้นะคราวนี้เราจะทําอย่างไรจรึงรู้ทันความคิดได้นะจริงๆแนี่เรารู้ทันได้ทุกคนแล้วแต่มันจะช้าไปนิดนึงนะช้าไปหน่อยนะมันก็จะ ปะโยชนก็น้อยไปหน่อยนะเพราะจริงๆเราเราคิดทั้งวันอยู่ละละวันวันหนึงเราคิดเยอะมากเลยนะประมาณวันละห้าหมื่นเรื่องนะจากผู้ที่เคยวิเคราะห์ไว้ประมาณห้าหมนครั้งนะถ้าเราถามว่าเอารู้ทันสักหมื่นครั้งไหมไม่นอนะพันครั้งไม่ไม่นะร้อยครั้งก็ไม่แม้ละสิบครั้งก็ยังอาจจะไม่เลยแสดงว่าเรารู้ทันความคิดเนี่ยได้น้อยมากนะยิ่งรู้ทันความคิดน้อยนะเราก็จะไหลในความคิดทั้งวันนะก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันนะ คิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นเแต่ไปคิดเรื่องนั้นต่อทั้งวันนะอันนี้ความคิดก็มีสองอย่างนัคือความคิดที่เราตั้งใจคิดอันนี้เราก็ไม่ไปยุ่งกับมันนะเช่นวางแผนงานอะไรก็ต้องคิดให้จบจบไปนะส่วนนั่ที่นําความทุกข์มาเราก็คือ้ความที่เราไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละมันก็คิดมันเองคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อก็คือตัวที่เราไม่ตั้งใจคิดตัวนี้ก็เลยว่าเราหลงนั่นเองหลงเข้ามาในความคิดนะ ตัวนี้ก็คือตัวที่นำความทุกข์มาให้เราเพราะนั้นที่จะพูดในตัวนี้ก็คือตัวที่เราไปหลงคิดนะไม่ใช่ตัวตั้งใจคิดนะเราจะรู้ทันไอ้ตัวหลงคิดนะสักวันละสิบครั้งไหมนะคิดวันละห้าหมื่นครั้งเนะี่ยรู้ทันรับสิบครั้งไหมนะหรือจะรู้ทันสักกี่ครั้งนะอันนี้ก็คือถ้าเรามีสติน้อยเนี่ยมันก็จะรู้ทันได้น้อยนะสติคือความระลึกได้ น, ะนรรั่นเองระลึกว่าเราคิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยไปด้วยนะ เขาไม่ทาอย่างไรจึงจะระลึกได้เยอะๆนะระลึกได้เยอะๆนะถ้าหากว่าเรานั่งเนี่งๆนะนั่งเนียงๆนะเราก็จะเผลอคิดไปนู่นคิดไปนี่อยู่เรื่อยๆนะคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านนักเล่าก็หลงไปนมันจะหลงไปคิดวิธีการนะคือเราก็ต้องทําในสิ่งตรงกันข้ามกับตัวหลงก็คือตัวรู้นั่นเองนะตัวรู้นั่นแหละรู้หรืออาจจะบ่งเล็บว่ารู้สึกตัวก็ได้นะ วิธีการทำตัว hmm. ร <med> ู้เนี่ยก็อย่างที่พวกเราทํากันนี่แหละสร้างจังหวะหรือได้นจงกลมนี่ก็เป็นตัวรู้นะหรือเราอาจจะอ่ากระทบนิ้วอยนะกรุงนิ้วอกํามือบามือนะพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายนะหรืออาจจะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็พลิกตาก็รู้นะอะไรสักอย่างหนึ่งซี่งเป็นฐานกายนะที่เป็นฐานกายอ่าก็ปกป้องเล็บไปนิดหนึงว่าเป็นฐานกายก็แล้วกันนะ มันก็เนี่ยถ้าเราอยู่ฐานกายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรู้รู้รไปได้ด้วยนะหน้าการที่เรารู้นี่ก็คื อ, อใจมีสติอยู่กับกายนั่นเองนะมันก็ผลลัพธ์มันก็คือปกตินั่นเองนะเมื่อเราสามารถที่จะทําให้ใจมีสติอยู่กายนะผลลัพธ์มันคือปกตินะปกตินั่นก็คือสภาวะที่มันกลางๆนะไม่ได้ยินดีไม่ไปยินลานยก็อยู่กับปัจจุบันนะตัวนี้นั่นแหละคือสภาวะที่เป็นปัจจุบันนะ เพราะนเมื่อเราเคลื่อนไหวไอย่างบะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ทําใจให้อยู่กับปัจจุบันนะโดยการที่อาศัยตัวรู้นั่นเองนะก็จะอยู่กับปัจจุบั น, นได้นะเมื่ออยู่กับปัจจุบันปุ๊บเนี่ยความคิดเกิดขึ้นเราก็จะรู้ทันทีเลยนะอยู่นีอยู่ปัจจุบันความคิดเกิดขึ้นรู้ทันทีเพราะว่ามันจะคิดเป็นอดีตและวอนาคตนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆนะง่ายๆ น, นะอันนี้ก็สรุปทั้งหมดแล้วว่าเออเราเนี่ยต้องเริ่มพิถันกายก่อนนะลปปแล้วก็ไปจบพิถันจิตนะ เริ่มพิารณากายก่อนแล้วก็พิจารณาจิตนะแค่นี้ง่ายๆเท่านั้นเองน ะ, ะครั้นี้วิธีการเนี่ยเราก็พยายามอย่าไปเพ่งมันนะอย่าไปเพง่งว่าเออเราต้องจิตสงบนะจิตต้องไม่คิดอะไรนะอันนี้ก็มันอาจจะไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องทีเดียวนะจริงๆแล้วก็ไม่ถูกต้องเลยแหละพราะหลวเทียนน่าจะบอกไว้แล้วว่าอไม่ละความคิดนะก็คือถ้ามันมันคิดเท่าไหร่นะมันคิดสักลอยครั้งถ้าเรารู้ทันลอยครั้งในะอันนี้เราจะ สติเราจะยิ่งไวขึ้นนะยิ่งไวขึ้นยิ่งเรารู้ทันความคิดได้ไวเนี่ยสติเรายิ่งไวขึ้นนะเพราะนั้นยิ่งเราฝึกรู้ทันความคิดได้มากขึ้นอ่ะอีกนาเราความคิดต่างๆเนี่ยเราก็รู้ทันไปด้วยไปได้ทั้งหมดนะมันเป็นการฝึกอย่างนี้นั่นเองนะเราจึงไม่ห้าำความคิดนะมันคิดก็คิดไปแต่เมื่อคิดแล้วมันก็กลับมาคิดแล้วก็กลับมาเพราะเราอยู่กับตัวรู้นั่นเองนะมันหมายความว่าเกิดการชักเย่อกันขึ้นเมื่อรระวังตัวลงกับตัวรู้นะ ถ้าเราไม่มีตัวรู้เนี่ยตัวหลงก็จะยึดชักะเยาะฝั่งเดียวนะตัวหลงก็จะชักเยาะมีแรงชักฝั่งเดียวมันก็ไปตัวหลงเยอะนะเมื่อเรามีตัวรู้เกิดขึ้นมันก็จะชักเยาะกลับมาสู่ตัวรู้อีกนะก็เกิดการชักเยาะขึ้นระหว่างตัวหลงกับตัวรู้นะนี่แหละเป็นประโยชน์ของตัวตัวรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเกิดการชักเยาะขึ้นยิ่งชักกระเยาะทุนได้บ่อยเท่าไหร่เนี่ยอ่าแสดงวาการเล็กเรื่องเราเนี่ยจะเยอะจะมากเรื่อยๆนะอะ การที่เรารู้แต่ละครั้งนะอันนั้นคือการสะสมแตม้มนะสะสมแต้มของตัวตัวสติทุกครั้งเลยนะก็คือการระลึกได้ระลึกได้แต่ละครั้งนะยิ่งเราสะสมมากเท่าไหร่นะโอกาสที่เราจะรู้ทําความคิดได้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีขึ้นมีมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการที่เรีว่าเราไปเขย่าทานรู้นั่นเองนะเราจรึงต้องทําใำบ่อยนะไม่ใช่เราทำํำสองน ท, งทีแล้วเราก็เลิกไปอันนั้นไม่เป็การเขย่าทานรู้ขึ้นมาหรอก คือมันมันไม่ไม่สามารถที่จะไปทาให้จิตเนี่ยมันจะไปรู้ทันความคิดได้นะจิตไม่ต้องฝึกบ่อยๆนะการที่เราเปฏิ บ, บัติธรรมสร้างจังหวะหรู้ได้ยังกรมแต่ละครั้งนี่มันก็การที่เราไปเขยา่าทานรู้เขยา่าทันรู้ให้ตื่นขึ้นมนั่นเองนะตื่นขึ้นมานะเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย ต่อไปนะเราไม่ต้องไปสร้างจังหวะหรือเรื่อจงกรมมันก็รู้ได้เองนะรู้ได้เองเพราะว่ามันตื่นแล้วเนี่ยใช่ไหมตื่นแล้วนะมันก็เราอ่านภาษาอังกฤษออกนะเราไปไหแล้วก็อ่านภาษาังกฤษได้นะอ่านภาษาจีนออกไปไหนก็อ่านภาษาจีนได้เราว่ายน้ําเป็นไปไหนก็ว่ายน้ําได้เหมือนกันนะเพราะนั้นใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องฝึก้ตัวเนี่ยให้มันได้สก่อนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าเหมือนกับว่าเราอ เราเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันได้มีหนูนะหนูมันจะเข้ามากัดกินข้าวของในบ้านเราให้ได้รับความเสียหายเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากเลยนะแต่เราก็มีแมวทุกคนนะแต่แมวเนี่ยคือสติมันก็ยังตัวเล็กอยู่นะหนูคือความคิดทั้งหลายที่นําความทุกข์แมวในคือสติมันยังตัวเล็กอยู่เราก็มีหน้าที่ที่จะให้อาหารกับลูกแมวเนี่ยระดับหนึ่งนะเมื่อลูกแมวมันโตมาแล้วปั๊บมันก็จะออกจับหนูได้เองนะโดยที่เราไม่ไปสั่งแมวไปจับหนูนะ แต่สัญชาติยานของแมวแล้วเนี่ยมันก็จะอจับหนูได้เองเพราะนั่นเบอสัญชาติยานของสติแล้วนะมันสามารถึจะระลึกได้เองอยู่แล้วเพียงแต่เราทำให้มันโตขึ้นเท่านั้นเองนะการที่เราให้อาหารกับลึกแมวก็คือเราสร้างตัวรู้ให้เยอะนั่นเองนะสร้างตัวรู้ให้เยอะๆนะเมื่อตัวรู้มันพัฒนาถึงระดับหนึ่งแล้วนะมันก็จะกลายเป็นผู้รู้ไปนะรือสตินะมันพัฒนาเป็นระดับหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นมหาสติไปนะจับจุดเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะ เห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ทันความคิดได้เองนะรู้ทันอารมณ์ต่างๆได้เองนะโดยที่เราไม่ต้ตั้งใจอะไรเลยมันก็เป็นอัตโนมัติม็แเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะนด้วยวิธีการเนี่ยเราก็ออกจากอารมณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนนะรวดเร็วเลยนะนะแค่เรารู้เฉยๆเท่านั้นเองนะอย่าไปตั้งใจว่าเราจะต้องให้มันหายไปนะยกตัวอย่างเรื่องว่าจุดจุดนี้ล้กันว่ามันอยากให้มันอยากให้มันหายไปเพะอย่างไงนะ ก็คื อ, อมีพยาบาลชื่อคุณเกื้อจิตแขาลำ ม, มาจากบุรีลำ ม, นะมาอบรมที่นี่มาสักสามสปีก่อนแล้ว่ะนะนะก็ลงไปเจ็ดวันกลับไปที่โรงพยาบาลกออ็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ก้าวหน้าหรือเปล่านะก็วันนี้มีวันหนึ่งมีผู้ประสบอุบัติเหตุโนะดยรถมอเตอร์ไซค์คว่ำก็มาที่โรงพยาบาลนะแล้วก็กำลังถามในเรื่องพบรนะพบพรบมันก็เกี่ยวกับสิทธิเบิกค่ารักษาฐานกับยาพิ non น, นนะั่นแหละแล้วก็ก็ไปนั่งจด ครั้นี้ก็ามีเพื่อนพยาบาลตามมาเลยบอกว่าเออเกือ้อเธอรู้ไหมนะญาติของคนไข่เนี่ยเขาต่อว่าเธอใหญ่เลยนะบอกว่ามาลงมาบันดนึงมนทะเลเลยเนะี่ยพูดถึงเรื่องเินเรื่องทองแล้วนะเนี่ยเกื้อจิตเกาก็เกิดปิดนะมโห่กันมาทันทีเลยนะแล้วก็ตังใจว่าจะไปว่าเขากลับนะไปไปไปว่าญาติพี่น้องเขากลับนะพ่อเขาทำตามหน้าที่แล้วนะมาว่าก็ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ไงนะ พอลุกจากเก้าอี้เน่ยนะเดินไปสี่ห้าเก้าเกิดความรู้สึกตัวมนันทันทีเลยปรากฏว่าความโกรธเนี่หายวับไปต่อหน้า ต, ตานะพอเดินมาถึงที่ยาเขาแทนทีจะไปต่อว่าก็พูดดีๆกับเขาเลยบอกว่าเออเป็นอย่างไรบ้างคะจะให้ช่วยอย่างไรบ้างคะด้วยหน้าตาที่ยิ้มยามแจ่มใสยิ้มมีความสุขเลยแล้วก็เกิดสงสัยตัต่บัดนั้นว่าเออทําไมความโกรธเนี่ยมันหายไปได้ยังไงเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเหตุการณ์มันเนี่ยจะต้องมีการทะเลาะเบาแวงกันตามมาอย่างแน่นอนนะ คนความโกรธหายไปต่อหน้าตา่ตาเลยนะก็มีความสงสัยมากรรแต่เขารู้สึกดีก็ปฏิบัติทำต่อมาแล้วตอนหลังก็กลับมาเจอเอาตมาทิวักนะก็มาถามเออเป็นแบบนี้มันเป็นไปได้ไงนะก็เลยอธิบายเขาฟังว่าจิตคนเรามันจะเกิดดับเป็นที่เราดวงที่เดวงแต่ละขณะเท่านั้นนะแต่ละขณะใ น, นเกิดดับที่เดวงครั้งนี้ความโกรธเนี่ยมันก็คืออษษษษษกุศลจิตนะครั้งนี้เมื่อคือเกิดความรู้สึกตัวในการที่เขาเดินไปเนี่ย มันก็คือกุศลจิตนั่นเองคือกุศลพอกุศลจิตเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยอกุศลจิตซึ่งเป็นความโกรธก็ดับไปทันทีเลยนะดับทันทีเลยเพราะนั้นความโกรธจึงหายไปทันทีนะคราวนี้บางคนก็สงสัยว่าเออทําไมเรารู้ทันความโกรธเราความโกรธนันไม่หายนะเพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันหายนั่นเองนะจุดนึ้น้คือเราอยากมันหายมันจึงไม่หายเพราะว่าความอยากนั้นก็เป็นโลภะหรือเป็นตัณหาอย่างหนึ่งมากก็เป็นอกุศลจิตตัวเดียวกันเพราะนั้นความโกรธจึงไม่หายเพราะเหตุนี้ แต่คนเกลื้อนเองก็หายได้ไง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะละความโกรธนะขนาด น, นั้นตั้งใจะจะไม่ว่าเขาเขาไม่ตั้งใจที่จะละความโกรธแต่อย่างใดแต่เขาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพราะัะแดงรู้สึกตัวแบบรู้เฉยๆปั๊บในความโกรธดับไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือจุดนี้นั่นเองว่าทําไมความโกรธมันดับไปได้ก็ต้องรู้เฉยๆไม่ต้องยั้งให้มันหายหรอกรู้สึกตัวปุ๊บความโกรธดับไปตอนหน้าต่อตาเลยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าใครแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วนะรู้เฉย ไม่ต้องอยากให้อะไรหายไ ป, ไปนะจุดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยหายไปได้เลยนะอันนี้เราสามารถทดลองดูได้ง่ายๆนะทาไมถึงเป็นแบบนั้ น, นมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากหรอกทุกอย่างพิสูจน์ได้ทั้งหมดนะธรรมะทุกอย่างถ้าหากว่าพิสูจน์ไม่ได้ก็คือของปลอมนั่นเองแต่สิ่งใดพิสูจน์ได้ก็คือของแท้ของจริงนะเป็นสิ่งของจริงนี่เป็นสิ่งที่คงทนต่อการพิสูจน์ะนะนะอืม เพราะนั้นเราเราเนี่ยถ้าเราเดินได้ถูกทางแล้วมันก็จะเร็วนะขนทางเน่ยจริงๆแล้วมันเร็วเพราะว่าจริงๆแล้วนะเราตั้งใจละกิเลสอะไรไม่ได้นะตั้งใจละกิเลสอะไรจริงๆไม่ได้เรกเช่นเราตั้งใจจะละความโกรธเนี่ยมันละไม่ได้เพราะว่าอะไรทุกความโกรธมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแล้วเราจะไปละเขาได้ไงนะหรือกิหลสทุกๆอย่างนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วต่นะมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะไปละเขาได้ไงนะวิธีการก็คือ เราต้องรู้นะรู้ให้เราไหวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นกินแหลทุกอย่างเนี่ยเราละไม่ได้แต่เราสามารถรู้ได้นะอันนี้ก็เข้ามาที่ตัวรู้อีกแล้วนะรู้นะรู้ก็คือรู้รู้ทันความคิดนั่นเองนะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์นั่นเองนะนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ากินแหลทั้งหลายแหละเนะจริงๆแล้วน่ะไม่ใช่ว่าคนเราเนี่อจะละกันได้จริงๆนอกจากหลวงปู่ดูลอตุโลนะ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าที่เป็นพร ะ, ะอริยเจ้าชั้นสูงแล้วนะวัดบุรพาราจักสุรินอมีผู้ถามหลวงปู่ดูลว่ามีใครที่สามารถว่าความโกรธได้เด็ดขาดไหมหลวงปูต่ตอบว่าไม่มีใครละได้เด็ดขาดหรอกมิแต่รู้ทุกาทันมันแล้วมันก็ดับไปนะนั่นกถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ยังมีความโกรธอยู่ไหมหลวงปูต่ตอบว่ามีแต่ไม่เอานะอันนี้คือประเด็นเนื้อหาสําคัญแล้วก็เป็น ก็ง่ายๆว่าเป็นหลักเลยจริงๆว่าตัวนี้ก็คือเป็นหลักเลยนั่นี่คือประเด็นจริงๆทั่วจับตัวนี้ได้แล้วการปฏิบัติมันจะไม่ยากหรอกนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอะไรๆมันเกิดขึ้นได้ทังนั้นไม่เท่าเราเราเป็นบัตรแล้วมันก็ต้องหมดไปนะความรวมความปวดความหลงมันก็มีได้ในระบับระดาบในพระในระดับชั้นสูงๆแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ทุนจะมีอาวุธรนะทั้งถูกอยู่มันก็กระทบกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ แต่เมื่กระทบแรงเนี่ยมันก็สามารถที่จะหลุดออกไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะหลุดไปอย่างรวดเร็วเลยนะเหมือนกับใบบอลไงใบบอลเนี่ยเวลาน้ำอยู่บนบนใบอลปั๊กเนี่ยถ้าเราเอียงปั๊กมันก็จะหลอย่ากระทันทีนะเพราะฉนั้นสิ่งนั้นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้แตอยู่ที่ว่าเราเอาไม่เอาตัวกนั้นเองนะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะเอาหรือไม่เอานะถ้าติดเราไปรับมันไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้อ ยึดไปทุกอย่างนะอารมอะไรต่างๆมันไปยึดไปทุกอย่างนั่นแหละคือความทุกข์หมดเลยนะคือความทุกข์บางทีความคิดเกิดขึ้นครับเช่นอารมณหลง ห, น, หลนิดเน้อยหน่อยหอยลงหนหิดพรเรารู้ไม่ทันมันก็ไปปุงแต่งความโกรธต่อเพราะเรารู้ไม่ทันแล้วก็ไม่ปล่อยก็ไปคิดๆีคิดนี่ทาไมเขายนของใส่หน้าเราเนอะหรือว่าเขาจะไม่พอใจเราสงสัยนั้นจริงๆเพว่าเห็นท่านเราบอกว่าเขาไม่พอใจแล้วเนี่ย เขาทำมันี่ได้ยังไงไม่รู้เราเป็นใครเน่ยจักหมดเงิยบไม่ดีเขาเพิ่งแต่เป็นความกดต่อทันทีเลยนะแต่เราเหงุหงิดก็ต้ารู้เฉยๆโยนก็โยนไ ป, มนปน ไ, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบเลยไม่คิดไม่คิดต่อไม่รู้ความโกรธเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเพียงสิ่งที่เราต้องรู้ทั่นนเพราะนั้นอารมเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าไปมองค้ามนะความโง่งิตเล็กน้อยก็จะไปนองคา้ามไม่อเห็นความหมน่งมิตแต่เราจะต้องปล่อยทันทีมันก็จะไม่เข้าสู่ความโกรธได้นะ เพิาพริยเจ้าท่งนเป็นแบบนี้ไงคือเพิ่งแต่เล็กน้อยท่รู้ทันแล้วท่านก็ปล่อยไปโดยอตัตโนมัตินะแต่จิตของเราในสมมยก็เราก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะพออารมณ์ อ, อะไรเกิดขึ้นแป๊บแล้วก็ไปซักไม่หมดเลยมันก็มีความทุกข์ตลอดเวลานะไปซักแล้วก็ไม่พอไปย้ำคิดย้ำทำอีกนะย้ำคิดคิดนะเรื่องของเก่าไปรู้มาคิดหปีก่อนก็ไปรู้มาคิดนะว่ามันจะาใจะความทุกข์ได้อย่างไรนะยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธยิ่งแค้นยิ่งรู้บาสนะ อันนี้เราต้องรู้รู้ทันนะสิ่งเหล่า น, นี้ไม่ได้นะก็คือทุกอย่ารเกิดขึ้นได้ตแต่เราต้องไม่เอานะม่ความโกรธก็เกิดกกขึ้นมานแต่เราต้องไม่เอาวิธีการไม่เอาก็คือต้องปล่อยทันทีนะสังเกตจิตไม่ไวนะความบุ ญ, ญกุศลเกิดขึ้นนิดเดียวปล่อยนะหรือความพอใจเล็กเลน้อยเกิดขึ้นนิดเดียวก็ปล่อยเท่านี้เองนะครันะ้นี้จะสำรวจให้ให้สันนะ้นลมอารมณ์จริง ๆ, ๆแล้วเนะี่ยไม่ว่าจะเป็น เมื่อกี้ทุกบ้ามาตั้งเยอะนยะมันจะสูปลงได้แค่สองอย่างนั้นคือความชอบและความไม่ชอบนั่นเองนะหรือความพอใจหรือไม่พอใจนะก็คืออารมณ์ที่เราชอบหรือว่าพอใจทั้งหมดนั้นอยู่ในหมวดของรูพภาหรูอภาพหรือความรล้หรือราคะทั้งหมดเลยนะนับตั้งแต่ความอยากได้ความดีความพอใจความรัก ชอบในการที่คนมาส่งเวยเยือนยอเราทั้งหลายแหล่อันนี้คือโลภะโลราคะทั้งหมดเลยนะคือพวกที่เป็นความชอบใจหรือความพอใจทั้งหลายนะส่วนอีกหมวดหนึ่งนะคือหมวดของโทสะนะหมวดโทสะก็คือหมวดเงียความขัดเคืองใจความไม่พอใจหรือความโกรธความกลัวความหวงหัวใความอิดช้าความน้อยใจคุณนะตกกระจายทั้งหลายแหล่นะคือหมวดของความ อือไม่โปรยใจหรือความโกรธทำไมเลยนะเพราะจริงๆมันก็มีแค่สอหมวดก็คือความโลภนะหรือมาคะหรือความชอบทั้งหลายไม่หมดนั้นก็คือความไม่ชอบนะความโกรธนะหรือโทสะทำไมแรงนะมีแค่สอหมวดเท่านั้นเองส่วนมวดนั้นก็คือโลภนี่คืออะไรนะโนลภก็คือเรามีอะไรเกิดขึ้นในขณะนี้เราก็ไม่รู้นะ ขณนะนี้เมีความคิดก็ไม่รู้มีความโกรธก็ไม่รู้มีความรักความชังก็ไม่รู้ น, ออรนี่คือโมหะทุงนายก็คือไม่รู้ไปทางความเป็นจริงเองมีแต่หลงไปรู้ไม่ทุธนในขณะนี้เราเป็นอะไรรู้ไม่ทุธนมันก็เลยเกิดอารมณ์ทุงมายมาขึ้นมานั่นเองนะเพราะเงินที่เราต้องรู้ทุธนเป็นหลักๆนั่นคือต้องรู้ไมทนนะควรพอใจและพไม่พอใจ2 อ, อย่างก็พอแล้วเพราะนี่คือต้นเหตุของอารมณ์ทุกนายทั้งปวงเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราศึกษาให้ดีแล้วเนี่ยบาปกระบุญเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับจิตของเราได้ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปผิดศีลห้าอะไรเราก็ยังมีบาปเกิดขึ้นในใจได้ตลอดเวลาเขาเรียกว่ากสุงอกุศลจิตเกิดขึ้นได้ในใจเนี่ยตลอดเวลาเลยนะอเช่นความไม่พอใจความหมุดหงิดความโกรธนะความขัดเคืองใจความน้อยใจความเสียใจความหวงหวงความอิจฉาพวกเนี้ย บางทีเราไม่ต้องไปทําใครหรอกแค่เกิดลมุงในใจพวกนีมันก็เป็นอกุศรอาุสรจิตแล้วนะอกุศรเกิดกันแล้วอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากนะกิเลสอันนี้คือกิเลสนะกิเลสที่เราเป็นถือว่าเมื่อกี้ว่ามาพูดนี้คือกิเลสหมดแล้วแล้วมันก็เกิดกรรมนะเกิดกรรมมันก็มีการกระทําไปต่อนะก็เกิดวิบากขึ้นมาอีกนะวิบากวิบากคือผลของกรรมนั้นนะกิเลสกรรมวิบากก็คือเรามีพวกนียู่ ไม่ต้องไปฆ่าใครไม่ต้องรัดทัพใครแค่เรามีความคิดตรงนั้นเองนะเป็นเป็นบาปในตัวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจริงต้องระวังไม่้นคนจะไปลงนรกอันเยอะแยะเลยนะพูมิใจบอกว่าคนที่ไปลงลกกนลนะรนงกนะเป็นสูตรทุติภูมินะเป็นแปลนสุกรายนะสัตว์ในชานสัตว์นรกนะ่ยมีเยอะเท่ากับขนโคนะสูงคนที่ไปสวรรค์เป็ น, น, พนิพพานเท่ากับเขาโคลดังนั้นเองก็ถือแบบนี้นะเองว่าคนในทวัตคิดไปในทางไม่ดีนะนะนะแต่ถ้าใครนะ คิดในทางทดนะีเรารู้ในทางทดีนะเราไม่ได้ไม่ทุบถุนทุบถ้าเราไม่ทําไม่ใส่บาปไม่ได้ม่ถวาสังฆทานไม่ต้อไป ท, ทำบุญได้ไหนแล้วไม่ระบาปเดียวตแต่ราได้บุญกตลอดณวลาทำอย่างไรนะอย่นี้ก็คือการลขานะขมขะเนี่ยเรารู้ทุบถนจิตเรานั่นเองนะ เ, เ, ในในใเรรู้ทุบถนกินเลสที่เกิดขึ้นในใจเรากิเลสเล็กน้อยที่เกิดขึ้นแค่รู้ทันอ้ความโกรธจะนั่นรู้ทันอันนี้ก็ได้บุญแล้วนะนี่ได้บุญเลยนะ หรือความพอใจความไม่พอใจตัวที่เรารู้ทำให้เขาได้บุญแล้วนะเพราะว่าบุญเกิดจากการรู้ได้นั่นเองหรือการที่เราเจริญสติอบุญนี่ยคือการรู้ได้หรือว่าสตินั่นเองสติของเขาพอรู้ได้เนี่ยแค่นี้ตัวเองเราก็ได้บุญแล้วนะตลอดเวลาเลยนะม่ได้ไปทำบุญเพียงนั้นไมระดาเดียวที่เรารู้ตัวถึงอารมณ์รู้ติดข้นในใจเราแต่แลักษณะแต่แลักณะเนี่ยได้บุญแล้วนะบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหาไม่ยากนะบุญตัวนี้เป็นบุญที่สูงนะสูงกว่าการที่เราไป อ่าให้ทานหรือว่าต้องใช้เงินเยอะๆเยอะแยะนะมัคนคงมาว่าโอเราไม่มีเงนินบุืนมีเงินน้อยนะเราก็ได้บุญน้อยเมื่อคนอื่นเขาเขาเป็นเจ้าพาอพระป่าเจ้าพ่อวินเจ้าพาอ่าสร้างกุฏิสร้างบสถสร้างมีหารเขาได้บุญเยอะมากเลยแต่เราไม่มีงเงินแล้วไม่ได้บุญอะไรเลยอันนี้เป็นการคิดที่ผิดน ะ, ะเราได้บุญมากกว่าเขาเยอะ คนมันไี่เป็นเจ้าพ่ อ, พอสร้างบวบสถ์ เ, เป็นเงินลอยนานไม่รู้บุญจะสนองเมื่อไหร่ไม่รู้ชาติมันจะสนองหรือมันจะมรอชาติหน้ายังไม่รู้เลยแต่เพื่อมาปฏิบัติธรรมได้ถูกทางนะแล้วจะความทุกได้ในชาตินี้ไม่มารอชาติหน้าหรอกนะแค่เราปฏิบัติธรรมได้ถูกทา ง, ทางเท่านั้นเองใจเราจะจัดความทุกได้ทันทีนะทันทีเลยนะอันนี้คือ บ, บุญที่มันตอบทันทันทีเลยนะไม่ต้องรอไปชาติหน้าแล้วนะเป็นบุญที่เร็วมากให้ผลเร็มาก ออกจากความทุกข์ได้โลมากด้วยนะน่าสําคัญทั้งเราทําไปเรื่อยๆนะผลตอบแทนมันจะยิ่งดีกว่านั้นนะไม่ใช่ว่าแต่เพอในชาตินี้เราไม่ทุกข์ทุกเมเราก็ไม่ทุกเ์หรอกทกเ่อเราจะต้องไม่ต่อไปเวียนวายตายเกิดไปตลอดไปแล้วนั่นคือเราจะลงคนทุกข์อย่างถาวรแล้วนะก็ขอท่านทุกท่านถึงความทุกข์ทุกอย่างถาวรกันทุกท่านเถิด